การจำพรรษาบางปีท่านจำที่ภูเขาองค์เดียวโดยอาศัยชาวไร่เพียงสองสามครอบครัวเป็นที่โคจรบินทบาทท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งๆเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจการใดๆเป็นเครื่องกังวลเวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถ จิตใจกับธรรมะเป็นของตัวในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจากปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบไม่ได้ท่านว่าตอนท่านจำพรรษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกล น, นครกับกาลสินต่อกัน จึงอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสามสี่ร้อยเส้นที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเช่นเสือช้างกระทิงวัวแดงอีแก้งหมูกวางต่างๆเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวลป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ใกล้บริเวณที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเรามาใกล้ๆที่อยู่ท่านมากท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขา ปีท่านเข้าไปจำพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้แต่จำไม่แน่ว่าเป็นพอสอเท่าไรจำได้แต่เพียงว่าท่านจำพรรษาที่นั่นหลังจากท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วไม่นานนักท่านว่าในพรรษานั้นเวลาทมสมาธิภาวนาปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสมูทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษาการทาข้อวัดในบริเวณถ้ำที่พักจพาพรรษา ตลอดการจัดบริการต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอพรรษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระทุดดงผู้มุงต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่าทุดวงขวัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและยกทุดดงขวัตสมัยที่ท่านพาหมู่คณะปฏิบัติ เวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้าอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมู่คณะดำเนินตลอดวันสิ้นอายุของผมก็เป็นทุดงควัดที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่าศา ส, สนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองหนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติ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 ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมาพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นมีได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกอิริยาบถทรงสีหาสัยญาติคือนอนตะแค ง, งข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดีจะเด็ดไปในที่ต่าง แม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสดาประจำพระอาการทุกอยู่ทุกๆอิรยาบทพระองค์ไม่ทรงทำให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญาชอบวินิจฉัยไตรตรองอยู่แล้วยอมยึดเป็นคติตัวอย่างเรื่องพราหมสอนตนได้ทุกทุกทกพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวอยากเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปะมัญาติเหมือนโลกทั้งหลายที่ชอบทากิริยาต่าง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 แต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจํไมิได้บกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสารณะคือหลักพึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระยุริยาบทหรือพระอาการใดจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหาสัยญาตินิพพานมิได้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวกลัวความตายไร้มวลบนเพอไปต่าง ดังที่โลกเป็นขึ้นมาพระจำแผ่นดินแต่ทรงสีหาสายญาณนิพพานส่วนพระไทยก็ทรงทําหน้าที่นิพพานอย่างองอาจกล้าหาญ ร, ราวกับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรสมาบัติทรงถอยเข้าถอยออกจนควรแก่การแล้ว จึงเสด็จปรินิพานไปแบบสัสดาโดยสมบูรณ์ไม่ทรงเยื่อใหญ่กับสิ่งใดในสามภพนั่นแหลศสัสดาของโลกทั้งสามท่านทรงทำตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู้จนวันเสด็จปรินิพานไม่ทรงลดละพระอาการใดๆจากความเป็นสัสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาทากัน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 ย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับย่อมไม่สามารถล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจหมายลอยไปตามกระแสน้ำและเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉนั้นหลักธรรมวิไนมีทุดดวงควัตเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อใหถึงที่ปลอดภัย จงยึดให้มัน่นคงอย่าโยคลอนวันไหวผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดเราเป็นเยื่องอย่างจะเหลวไหลไปตามตุ้ดงขวัตคือปฏิปทาอันตรงแนวไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามดำเนินตามเถิดธรรมะที่มุ่งหวัง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 ต่อพระสัสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีทุดงควัดเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีสัสดาเป็นสารณะในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษาแทนสัสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจใหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมะ และกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจผู้นี้คือผู้มีราตรีอยู่กับธรรมะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริงแต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมายจึงควรเป็นห่วงหมูคนะ่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้างเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำ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 การหลับนอนของนักปราดท่านเพียงเพื่อบันเ ท, า, ทาธาตุขันไปชั่วระยะเท่านั้นไม่ได้หวังความสุขความสำราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลียทั้งาธาตุขันนั่นเลยพระนอนตามแบบพระจริงๆต้องระวังตัวเพื่อจะตื่นเหมือนแม่เนื้อนอนซึ่งมีสติระวังตัวดีกว่าปกติเวลาเที่ยวหากินคำว่าจำวัดก็คือความระวังตั้งสติหมายใจ จะลุกตามเวลาที่กำหนดไว้ตอนก่อนนอนมิได้นอนแบบขายทอตลาดดังสินค้าที่หมดราคาแล้วตามแต่ลูกค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตนพระที่นอนปล่อยตัวตามใจชอบมิใช่พระสักยะยบุตรพุทธบริษัทผู้รักษาศาสนาให้เจริญในตนและผู้อื่นแต่เป็นพระประเภทขายทอตลาดตามยถากรรมจตีราคาเอาเอง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 ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมีได้เป็นไปกับสมมุติมีได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายมีได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูญมีได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุท ธ, ธะจึงคือพุท ธ, ธะอยู่โดยดีธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดี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 จำต้องรู้ขึ้นที่ใจซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมะอย่างเหมาะสมสุดส่วนไม่มีภาชนะได้ยิ่งไปกว่าดังนี้นี้เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้อาจทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเช่นการปฏิบัติทุ ด, ดงควัตไม่ถูกเป็นบางข้อหรือบางประการและการจาวัดตื่นผิดเวลา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 ต้องพักเก็บไว้เป็นที่เป็นฐานไม่ทิ้งระเกะระ ก, กะถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมารอธุระอย่างอื่นมาแทรกพอตกกลางคืนเวลาทําสมาธิภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้ท่านพักอยู่ทําดังกล่าวในภัษานั้นเพียงองค์เดียวกลางคืนจะปรากฏท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางนิมิตภาวนา แม้กลางวันเงียบเียบเวลานั่งภาวนาในบางวันยังเห็นท่านมาเยี่ยมเช่นเดียวกับกลางคืนท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหาต่างๆกับท่านจนเป็นที่เข้าใจจำแจ้งเพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วว่องไวมากและได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆข้อไปปัญหาบางอย่างเพียงแต่รำพึงสงสัยตามลาพังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยพอตกกลางคืนเข้าที่ภาวนา ท่านก็มาอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังเรากลับได้เรียนท่านไว้แล้วท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวข้อหาว่าเป็นกรรมฐานบ้าแต่ธรรมะเครื่องแก้กิเลสชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยลาพังและเกิดจากทางนิมิตที่ท่านอาจารย์มั่นเป็นต้น มาเตือนให้อุบายและแสดงธรรมสั่งสอนโดยสม่ำเสมออันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองมิให้ประมาทท่านว่าพรรษาที่จำอยู่ในถ้มแห่งดงหนาปาาเปลี่ยวนี้ทำให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผิดที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมะ ในอิรยาบด์ต่างยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยธรรมปีติระหว่างสันติธรรมที่มีฐานเดิมประจำความบริสุทธิ์และธรรมะประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจแล้วแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆกันทาให้กายและจิตชุ่มชื่นเรื่นงเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน้ามีอากาศเป็นที่เหมาะสมคอยจะโลมให้ลาต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมัน สดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมะความสงบร่มเย็นไม่ว้าวุ่นขุนมัวมั่วสมกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันเรานี่เองไม่จําต้องดิ้นรนหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพหลอกตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตัณหาสมุ ท, ทยัยอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์เข้ามาเผาลนตัวเอง ให้เกิดความทุกข์ลำบากไปเปล่าเปล่าเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้นเป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารราวกับไม่มีอยู่สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมะที่ปรากฏครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบระวัิได้เพราะจิต กับอริยธรรมที่ครอบกันอยู่มิใช่สมมุติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกัน